ปรุงแต่งวัตีสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนและปรุงแต่งมโนสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนเขาครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนภาษะที่ไม่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนนั้นเขาถูกัาษะที่ไม่มีความเบียดเบียนกระทบเข้าย่อมสวยเวทนาที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขโดยส่วนเดียว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 ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกสังขารสูตรที่สจบ 4. พหุการสูตรว่าด้วยบุคคลที่มีอุปการะมาก ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีอุปการะมากแก่บุคคลบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนับถือพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกและนับถือพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกบุคคลนี้ชื่อว่ามีอุปการะมากแก่บุคคลนี้ สบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกขนี้ทุกขนิโรธความดับทุกขนี้ทุกขนิโรธถ้าคาไม่หนีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขบุคคลนี้ชื่อว่ามีอุปการะมากแก่บุคคลนี้ 3. บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วทําให้แจ้งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบุคคลนี้ชื่อว่ามีอุปการะมากแก่บุคคล น, นี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แหลชื่อว่ามีอุปการะมากแก่บุคคล น, นี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าไม่มีบุคคลอื่นนอกจากบุคคลสามจำพวกนี้ที่ชื่อว่า เป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคล น, นี้การที่บุคคล น, นี้จะปฏิบัติตอบแทนแกบุคคลสามจำพวกนี้ด้วยการตอบแทนคือด้วยการกราบไหว้การลุกครับการประนมมือไหว้การแสดงความเคารพการให้ผ้านุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเรากล่าวว่ามิใช่จะทําได้โดยง่ายพระหุการสูตรที่สี่จบ ชี้รูประมะสูตรว่าด้วยบุคคลที่มีจิตเหมือนเพชรภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคลลบคลที่มีจิตเหมือนแผลเก่า 2. บุคคลที่มีจิตเหมือนฟ้าแลบ 3. บุคลบคลที่มีจิตเหมือนเพชรบุคคลที่มีจิตเหมือนแผลเก่าเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมากโกรธมากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทครึงเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเปรียบเหมือนแผลเก่าถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมให้เกิดความเจ็บปวดมากขึ้นแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน แ, แล เป็นคนมากโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทครื่องเคียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจนี้เรียกว่าบุคคลที่มีจิตเหมือนแผลเก่าบุคคลที่มีจิตเหมือนฟ้าแลบเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้รู้แท้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัย นีิทุกขนิโรธนี้ทุกข์นิโรธคาไม่นีปฏิปทาปรีบเหมือนคนมีตาดีเห็นรูปได้ในขณะฟ้าแลบในเวลากลางคืนที่มืดมิดแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกข์นิโรธคาไม่นีปฏิปทานี้เรียกว่า บุคคลที่มีจิตเหมือนฟ้าแลบบุคคลที่มีจิตเหมือนเพชรเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเปรียบเหมือนแก้วมณีหรือหินบางชนิดที่เพชรจะทําลายไม่ได้ไม่มีแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน แ, แล และถึงเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าบุคคลที่มีจิตเหมือนเพชรภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกวชิรูประมะสูที่ห้าจบ เจวิตาพูดว่าด้วยบุคคลที่ควรครบภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลที่ไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ 2. บุคคลที่ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ 3. บุคคลที่ควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบ เข้าไปนั่งใกล้บุคคลที่ไม่ควรเสพไม่ควครคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ต่ำแซมกว่าตนในด้านศีลสมาธิปัญญาบุคคลเช่นนี้ไม่ควรเสพไม่ควครคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้นอกจากจะเมตตาอนุเคราะห์บุคคลที่ควรเสพควครคบควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เสมอตนในด้านศีลสมาธิปัญญาบุคคลเช่นนี้ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุใรเพราะการสนทนาเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาจะมีแก่เราทั้งหลายพูดถึงความเสมอกันในด้านศีลสมาธิปัญญาการสนทนาของเราทั้งหลายนั้นจะดำเนินไปได้และจกเป็นความสาราญ เพราะเหตุนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรเสพควรครบควรเขาเ้าไปนั่งใกล้บุคคลที่ควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพครบขเข้าไปนั่งใกล้เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เหนือกว่าตนในด้านศีลสมาธิปัญญาบุคคลเช่นนี้ควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพครบขเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุใด เพราะบุคคลเช่นนี้คิดว่าจับบรรพ็นศสีลขันกองสีลสมาธิขันกองสมาธิปัญญาขันกองปัญญาที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจับอนุเคราะห์สีลขันสมาธิขันปัญญาขันที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในที่นั้นๆเพราะเหตุนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรสักการะเคารพแล้วจึงเสพคบเขาเ้าไปนั่งใกล้ ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลคบผู้ต่ำซามย่อมพลอยต่ำซามไปด้วยแต่คบผู้ที่เสมอกันย่อมไม่เสื่อมในการไหนๆคบผู้ที่สูงกว่าย่อมเด่นขึ้นทันตาเห็นเพราะฉะนั้นจึงควรคบผู้ที่สูงกว่าตนเซวิตตพสุที่หจบ เจ็ดชี้คุชิตประพสูตรว่าด้วยบุคคลที่ควรรังเกียจภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลที่ควรรังเกียจไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้สบุคคลที่ควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ 3. บุคคลที่ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลที่ควรรังเกียจไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนทุศีลมีทาเลสามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณนะแต่ปฏิ ญ, ญาว่าเป็นสมณนะ ไม่ใช่โพรมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นโพรมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อบุคคลเช่นนี้ควรรังเกยียจไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนทั่วไปแม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้แต่กิตติสัพท์อันชั่วของเขาก็กระชอนไปว่าคนคบมิตรชั่วคบสหายชั่วคบเพื่อนชั่ว เปรียบเหมือนงูที่จมอยู่ในคูดแม้จะไม่กัดใครๆก็จริงแต่ก็ทำเขาให้เปื้อนได้แม้ฉันใดคนทั่วไปก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้แต่กิตติศัพท์อันชั่วของเขาก็กระชอนไปว่าคนคบมิชั่วคบสหายชั่วคบเพื่อนชั่วเพราะเหตุนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรรังเกียจไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ บุคคลที่ควรวางเฉยไม่ควรเสบไม่ควรครบไม่ควรเข้าไป น, นั่งใกล้เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมากโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทคลึงเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเปรียบเหมือนแผลเก่าถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้า ย่อมทำให้เกิดความเจ็บปวดมากขึ้นแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเป็นคนมากโกรธมากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทคลึงเคียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเปรียบเหมือนฐานไม้มาพลับถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมประตุเกินประมาณแม้ฉันใด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 เป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่ากล่าวแม้เพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทครึ่งเคียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจบุคคลเช่นนี้ควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าบุคคลนั้นอาจด่าเราบ้างบริภาทเราบ้างทาเราให้ฉิบหายบ้าง เพราะเหตุนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลที่ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีศีลมีทางามบุคคลเช่นนี้ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าคนทั่วไปแม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้ แต่กิตติศัพท์อันงามของเขาก็ขจรไปว่าคนคบมิตรดีคบสหายดีคบเพื่อนดีเพราะเหตุนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลคบผู้ต่ำสามย่อมพลอยต่ำสามไปด้วยแต่คบผู้ที่เสมอกันย่อมไม่เสื่อมในการไหน คบผู้ที่สูงกว่าย่อมเด่นขึ้นทันตาเห็นเพราะฉะนั้นจึงควรครบผู้ที่สูงกว่าตนชี้ขุดชิตัปสูที่เจ็ดจบ 8. ครูถภาณีสูตรว่าด้วย บุคคลผู้พูดภาษาคูดภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลผู้พูดภาษาคูด 2. บุคคลผู้พูดภาษาดอกไม้ 3. บุคคลผู้พูดภาษาน้ำผึ้งบุคคลผู้พูดภาษาคูดเป็นอย่างไร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 นี้เรียกว่าบุคคลผู้พูดภาษาดอกไม้บุคคลผู้พูดภาษาน้ำผึ้งเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ละเว้นข่าจากการพูดคาหยาบคคอพูดแต่คำที่ไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจนี้เรียกว่าบุคคลผู้พูดภาษาน้ำผึ้งภิกษุทั้งหลาย บุคคลสามจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกครูทพานีสูตรที่8จบเก้าอันทสูตรว่าด้วยบุคคลตาบอดภิกษุทั้งหลาย บุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลตาบอด 2. บุคคลตาเดียว 3. บุคคลสองตาบุคคลตาบอดเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีในตาเป็นเหตุให้ได้โพกกทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทําโพกทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูน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 บุคคลสามจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกพวกเทัพย์อย่างนั้นไม่มีแก่บุคคลตาบอดและบุคคลตาบอดย่อมไม่ทำบุญโทษเคราะย่อมมีแก่บุคคลตาบอดผู้มีในตาเสียในโลกทั้งสองในการต่อมาเราได้กล่าวถึงบุคคลตาเดียวนี้ไว้ก็บุคคลตาเดียวหมกมุ่นกับธรรมและอธรรม สแสวงหาโภกทรัพย์ด้วยการคดโกงและการพูดเท็จอันเป็นการลักขโมยทั้งสองอย่างก็มานพผู้เป็นกามาโภคีบุคคลเป็นคนฉลาดที่จะรวบรวมโพกทรัพย์เขาเป็นคนตาเดียวจากโลกนี้ไปสู่นรกย่อมเดือดร้อนส่วนบุคคลสองตาเรากล่าวว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดเขาให้ทรัพย์ที่ตนได้มาด้วยความหมั่นเป็นทาน จากโพทซับที่ตนหาได้โดยชอบธรรมมีความดำริประเสริฐมีจิตใจไม่วอกแวกย่อมเข้าถึงฐานะที่เจริญซึ่งไปแล้วไม่เศร้าโศกบุคคลควรเว้นให้ห่างไกลจากบุคคลตาบอดและบุคคลตาเดียวแต่ควรครบบุคคลสองตาที่ประเสริฐที่สุดอันทสูตรที่เก้าจบ อวะกุุชสูตรว่าด้วยบุคคลมีปัญญาเหมือนหม้อควม่มภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลมีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำสอบุคคลมีปัญญาเหมือนชายพกสามบุคคลมีปัญญากว้างขวางเหมือนหม่อไง บุคคลมีปัญญาเหมือนหม้อความเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักพิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้น จำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งกระฐานั้นไม่ได้แม้ลูกจากที่นั้นแล้วก็จำเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของกรานั้นไม่ได้เปรียบเหมือนหม้อคว่าที่เขาเทน้ำลงไปน้ำย่อมไหลราดไปไม่ขังอยู่แม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักภิกษุทั้งหลาย ภิกุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่้ำกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นท่้ำกลางและที่สุดแห่งกระฐานั้นก็ไม่ได้แม้ลุกจากที่นั้นแล้วก็ยังจำเบื้องต้นท่้ำกลางและที่สุดแห่งกถานั้นไม่ได้นี้เรียกว่า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 เขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดแห่งกระฐานั้นได้แต่ลุกจากที่นั้นแล้วก็จำเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดแห่งกระถานั้นไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษเก็บของเคี้ยวต่างๆคืองาเข้าสารขนมต้มพุทราไว้ที่ชายพกบุรุษนั้นเมื่อลุกจากที่นั้นพึงทำเรี่ยราดเพราะเผลอสติแม้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ว่าฉันนั้นเหมือนกันแลไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักพิสุทั้งหลายพิสุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามใน่้มกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้น่้ำกลางและที่สุดแห่งกถานั้นได้ แต่ลูกจากที่นั้นแล้วก็จำเบื้องต้นถ้มกลางและที่สุดแห่งกระานั้นไม่ได้นี้เรียกว่าบุคคลมีปัญญาเหมือนชายพกบุคคลมีปัญญากว้างขวางเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักพิกสุทั้งหลายภิกสุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามใน่้ำกลางและมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัรฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นท้ำกลางและที่สุดแห่งกระฐานั้นได้แม้ลุกจากที่นั้นแล้วก็ยังจำเบื้องต้นท้ำกลางและที่สุดแห่งกระฐานั้นได้เปรียบเหมือนหม้อ ง, งายที่เขาเทน้ำลงไปน้ำย่อมขังอยู่ไม่ไหลาราดไปแม้ฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถํากลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมอัฏฐและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบท่วนแกเขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นทํำกลางและที่สุดแห่งกระานั้นได้ แม้ลูกจากที่นั้นแล้วก็ยังจำเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดแห่งกระถานนั้นได้นี้เรียกว่าบุคคลมีปัญญากว้างขวางภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลมีปัญญาเหมือนห ม, ม้อคว่าเป็นคนเขลาไม่มีปัญญาสำหรับพิจารณาบุคคลเช่นนั้นแม้จะมันไปในสำนักภิกษุทั้งหลาย ก็ไม่อาจเล่าเรียนเบื้องต้นถ้มกลางและที่สุดแห่งกระถาได้เพราะเขาไม่มีปัญญาบุคคลมีปัญญาเหมือนชายพกเรากล่าวว่าดีกว่าบุคคลที่มีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำบุคคลเช่นนั้นแม้มันไปในสำนักพิสุทั้งหลายนั่งตรงที่นั้นเรียนเบื้องต้นถ้มกลางและที่สุดแห่งกระถาครั้นลุก ข, ขึ้นแล้วก็กาหนดรู้พยัญชนะไม่ได้ เพราะพยัญชนะที่เขาเรียนแล้วเลอะเลือนไปส่วนบุคคลมีปัญญากว้างขวางเรากล่าวว่าดีกว่าบุคคลที่มีปัญญาเหมือนชายพกบุคคลเช่นนั้นบรรไปในสำนักภิกษุทั้งหลายนั่งตรงที่นั้นเรียนเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งคะถานั้นจำพยัญชนะได้มีความดำริประเสริฐมีจิตใจไม่วอกแวกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม พึงทำที่สุดแห่งทุกได้อวกุชสูตรที่สิบจบปุคละวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สวิทตสูตร 2. คิลานสูตร 3. สังคาระสูตร 4. พหุการะสูตร 5. วชิรูปะมะสูตร 6. เสวิตตพพะสูตร เจ็ดชิคุิตาพสูตรแปดคูภานีสูตรเก้าอันทสูตรสิบอวะกุตชสูตรสี่เทวทูตะ ว, วัก หมวดว่าด้วยเทวทูตหนึ่งสพร ม, มะกะสูตรว่าด้วยสกุลที่มีพรมพระผู้มีประภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของสกุลใดบูชาบิดามารดาในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีพรมบุตรของสกุลใดบูชาบิดามารดาในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพาจารย์ บูดของสกุลใดบูชาบิดาบานดาในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีอาหุไนยะบุคคลคำว่าพรมนี้เป็นชื่อของบิดามานดาคำว่าบุรพาจารนี้เป็นชื่อของบิดามานดาคำว่าอาหุไนยะบุคคลนี้เป็นชื่อของบิดามานดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบิดามานดามีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรบิดามารดาผู้อนุเคราะห์ประชาท่านเรียกว่าพรมบุรพาจารย์และอาหุนยบุคคลของบุตรเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงนมสการและสักการะบิดามารดานั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการให้อาบน้ำและการล้างเทา้าเพราะการปรนิบัติบิดามารดานั้น บัณฑิตจึงสันเสริญในโลกนี้เองเขาตายไปแล้วย่อมบรรเทิงในสวรรค์สพรมะกะสูตรที่หนึ่งจบ 2. อ, อานันทสูตรว่าด้วย พระอานนทูล ถ, ถามพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นท่านพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่ภิกษุได้สมาธิอย่างที่ไม่ต้องมีอาหางการการถือว่าเป็นเรามามังการการถือว่าเป็นของเรา และมานานุใสกิเลสนอนเนื่องคือความถือตัวทั้งในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตภายนอกทั้งปวงและการที่พิกสุผู้เข้าถึงเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตไม่มีอะหังการมามังการและมานานุใสยอยู่เพิงมีได้หรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนการที่พิกสุได้สมาธิ อย่างที่ไม่ต้องมีอาหางการมามังการและมานานุสัยทั้งเนกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตภายนอกทั้งปวงและการที่พิสูจน์ผู้เข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์ไม่มีอาหางการมามังการและมานานุสัยอยู่เพิ่มมีได้ท่านพระอานนทุลถามว่าการที่ภิกษุได้สมาธิอย่างที่ไม่ต้องมีอาหา asi, งก า, งาๆๆรมามังการและมานานุสัย ทั้งในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในนิมิตภายนอกทั้งปวงและการที่ภิกษุผู้เข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไม่มีอะหังการมามังการและมานานุสัยอยู่พึง ม, มีได้อย่างไรพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบนั่นปราณี คือความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความคลายกำหนัดความดับทุกข์นิพพานอาอนนท์การที่ภิกษุได้สมาธิอย่างที่ไม่ต้องมีอาหางการมามังการและมานานุสัยทั้งในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในนิมิตภายนอกทั้งปวงและการที่ภิกษุผู้เข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ ไม่มีอาหางการมามังการและมานานุสัยอยู่พึงมีได้อย่างนี้แหละอ น, น์เราหมายเอาเช่นนี้จึงกล่าวไว้ในปุณญกะปัญหาในปารายณะวักดังนี้ว่าบุคคลใดรู้อัตภาพของผู้อื่นและของตนในโลกไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้วันไหวในโลกไหนๆเรากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้สงบ ไม่มีกิเลสทำให้จิตโมหมองไม่มีกิเลสกระทบจิตไม่มีความทะเยอะทะยานข้ามพ้นชาติและชราได้แล้วอานันทสูตรที่สองจบ 3. ส, สารีปุตตสูตร ว่าด้วยพระสารีบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงด้วยตรัสกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าสารีบุตรเราแสดงธรรมโดยย่อก็ได้เราแสดงธรรมโดยพิสดารก็ได้ เราแสดงธรรมทั้งโดยย่ อ, อและโดยพิสดารก็ได้แต่บุคคลผู้รู้ทั่วถึงธรรมหาได้ยากท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นเวลาที่พระผู้มีพระภาคพึงแสดงธรรมโดยย่อพึงแสดงธรรมโดยพิสดารพึงแสดงธรรมทั้งโดยย่ อ, อและโดยพิสดาร จะมีผู้รู้ทั่วถึงทำได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเพราะเหตุนั้นแหลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าจากไม่มีอาหางการมามังการและมานานุสัยทั้งในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในนิมิตภายนอกทั้งปวงและเราทั้งหลายจะเข้าถึงเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ไม่มีอาหางการ์ ม, มังการ และมานานุสัยอยู่เธอทั้งหลายพึงอสำเนียกอย่างนี้แหลเพราะภิกษุไม่มีอาห า, ก า, า, างการมามังการและมานานุสัยทั้งในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในนิมิตภายนอกทั้งปวงและเพราะภิกษุผู้เข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติไม่มีอาห า, ก า, า, างการมามังการและมานานุสัยอยู่เราจึงเรียกว่าภิกษุนี้ตัดตัณหาถอนสังโยชน์ ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะรู้ยิ่งด้วยการละมานะได้โดยชอบเราหมายเอาเช่นนี้จึงกล่าวไว้ในอุทยปัญหาในปารายณะวักดังนี้ว่าเรากล่าวอัญญาวิโมกซึ่งเป็นธรรมสำหรับละธรรมทั้งสองคือกามสัญญาและโทมนต์เป็นธรรมบันเทาถีนะความง่วงเป็นธรรมปิดกั้นกุกุก จ, จะความร้อนใจ ซึ่งบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาและสติมีการตรึกตรองธรรมเป็นธรรมเกิดก่อนและเป็นธรรมเครื่องทำลายอาวิชชาความไม่รู้แจ้งสารีปุตตะโสตที่3จบสี 4. นิทานสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งกรรมภิกษุทั้งหลายเหตุที่เกิดกรรมสามประการนี้เหตุที่เกิดกรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. โลภะความอยากได้เป็นเหตุให้เกิดกรรม 2. โทสะความคิดประทุษร้ายเป็นเหตุให้เกิดกรรม 3. ามโมหะความหลงเป็นเหตุให้เกิดกรรม กรรมที่ถูกโลภะครอบงำเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นแดนเกิดย่อมให้ผลในที่ซึ่งอัตภาพของเขาเกิดบุคคลต้องเสวยผลกรรมนั้นในขันธ์ที่กรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันในลำดับที่เกิดหรือในระยะต่อไปกรรมที่ถูกโทสะครอบงำเกิดจากโทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นแดนเกิด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 ในลำดับที่เกิดหรือในระยะต่อไปเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไม่แตกหักไม่เสียหายไม่ถูกลมและแดดกระทบมีแก่นในถูกเก็บไว้อย่างดีถูกวางลงบนพื้นดินที่เตรียมไวด้ดีในนาดีและฝนก็ตกดีเมล็ดพืชที่ฝนตกรดอย่างนั้นย่อมถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรแม้ฉันใดกรมที่ถูกโลภะครอบงำเกิดจากโลภะ มีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นแดนเกิดก็ฉันนั้นเหมือนกันยอมให้ผลในที่ซึ่งอัตภาพของเขาเกิดบุคคลต้องเสวยผลกรรมนั้นในขันที่กรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันในลำดับที่เกิดหรือในระยะต่อไปกรรมที่ถูกโทสะครอบงำและถึงกรรมที่ถูกโมหะครอบงำเกิดจากโมหะมีโมหะเป็นเหตุมีโมหะเป็นแดนเกิด